เรื่องที่25หเขาทำเรายังมีคนเคราะร้าอยู่อีกพวกหนึ่งคือพวกที่รู้สึกว่าถูกคนอื่นกระทำลบหลู่ดูหมิ่นบ่อยๆหรือถูกเขาเย็ดหยามไม่รู้จักจบจักสิน้นกินความถึงพวกที่ถูกเขาล้อว่าบักเสี่ยวบักหนานและทลํารื้คนพวกนี้ เป็นคนที่น่าเห็นใจจริงๆคือเขาก็มีกายมีใจมีสิทธิในความเป็นคนเหมือนคนทั้งหลายแต่ว่าแทนที่จะได้ใช้กำลังกายกำลังใจของตนในทางสร้างสรรค์ให้เต็มความสามารถกลับต้องถูกแบ่งออกไปใช้ประทะกับแรงกิเลสของคนอื่นสูญเสียกำลังไปเพราะความโง่ของผู้ที่คิดว่าตนฉลาดกว่าคนทั้งหลาย แต่ก็ช่างประไรเรื่องของเขาวัวใครก็เข้าข้อคอนนั้นเราหันมาพิจารณาทางสงบใจของเราดีกว่าคนที่ทำอะไรดูหมิ่นเยยดยามคนอื่นนั้นผมเห็นแย่แทบทุกรายที่ถึงกับวกกลับไปกราบกราบไหว้ๆคนที่ตนเย็ดยามไว้ก่อนก็มีอยู่ไม่น้อยมันไม่ไหวจริงๆ ตามธรรมดาคนที่ควักอุจระขึ้นคว้างใส่คนอื่นนั้นมือของเขาเองย่อมจะเปื้อนอุจระก่อนคนที่ถูกคว้างเสมอส่วนคนที่ถูกคว้างนั้นไม่แน่นักว่าจะเปื้อนหรือไม่ปรเหมาะอุจระที่เขาคว้างมานั้นอาจเป็นปุ๋ยช่วยให้พืชพันธัญญาหารของเรางอกงามเสียอีกด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงได้บอกว่าช่างเขา เราลองหันกลับมาสางดูในใจของเราดีกว่าตามปกติความนึกคิดที่ว่าเขาทําเราหรือเขาเล่นงานเราเขาเหยียดหยามเราเขาฉีกหน้าเราและเขาอะไรอะไรเราอีกหลายอย่างที่คิดขึ้นมาแล้วทําให้ใจเราไม่สงบมันเป็นความคิดหลอกตัวเองเสียมากเหมือนกันคือไม่มีใครเขาทําไมเราสักหน่อย เราคิดเอาเองแล้วก็วุ่นวายไปเองเป็นการสมมติค่าศึกขึ้นแล้วก็สมมติให้ค่าศึกสมมตินั้นมาโจมตีตัวเองแล้วก็สมมติว่าตัวเองถูกค่าศึกเล่นงานเอาย่แย่ในที่สุดก็สมมติว่าตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับจะตายเอาจริงๆเหตุที่คนเราชอบคิดว่าคนอื่นเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตน ตามที่กล่าวแล้วนั้นก็เพราะกิเลสอย่างหนึ่งบ่อนอยู่ในหัวใจคือมานะความถือตัวถ้าจะแก้ก็แก้ตรงนี้มานะนี่แหละที่ทำให้เราเห็นใครๆเป็นอริไปหมดคือเป็นผู้ที่คอยทำดูหมิ่นเย็ดหยามให้เราไม่สบายใจอุปมาเหมือนคนเป็นฝีหัวใหญ่ที่สะโพก ให้มีอันระแวงคนอื่นจะมากระทบอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ต้นไม้กิ่งไม้หมูหมาก็ถูกระแวงไปหมดแต่ถ้าเรารักษาฝีหายเสียแล้วก็ไม่มีอะไรนักหนาคําว่ามานะที่ผมพูดนี้ไม่ได้หมายถึงความอดทนอย่างที่ใช้กันในภาษาชาวบ้านเราแต่หมายถึงความถือตัวซึ่งเป็นความหมายของทางศาสนาคือมานะ แปลว่าความถือตัวที่ว่านี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลคือถือเราถือเขานั่นเองหรือถ้าจะถูกดักลงไปที่จุดที่ถือจริงๆแล้วก็คือถือเราเช่นถือว่าตัวเราลูกเราเมียเราพวกเราและอื่นๆขยายออกไปตามแต่จะถือทีนี้เมื่อมีเราแล้ว มันก็มีเขาเป็นธรรมดาเขาก็เกิดจากเรานั่นเองท่านลองไปนั่งอยู่กลางแดดตอนตะวันบ่ายแล้วก็กลัดไม้ขีดหรือซองบุหรี่หรืออะไรก็ได้วางซ้อนกันขึ้นแล้วท่านก็จะเห็นว่าเมื่อท่านทํากองสิ่งของของท่านสูงขึ้นนั้นมันได้เกิดมีสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ได้ทําเกิดขึ้นด้วยคือเงาของสิ่งนั้น ถ้าท่านต่อกองสิ่งของนั้นสูงขึ้นเงาของมันก็จะทอดยาวออกไปด้วยเราทำกองใหญ่เงามันก็ใหญ่เราทำกองยาวเงามันก็ยาวเรื่องเราเรื่องเขาก็เหมือนกันคือเขาหนะักเป็นเงาของเราอีกทีหนึ่งถ้าเรามากขึ้นเขาก็มากขึ้นถ้าเราใหญ่ขึ้นเขาก็ใหญ่ขึ้นเพราะเขามาจากเรา ดังกล่าวแล้วความถือตัวที่เราเรียกว่ามานะนั้นผิดจากที่เราเข้าใจกันอยู่ทั่วไปอีกเหมือนกันคือของเราหมายถึงถือตัวว่าดีวิเศษกว่าคนอื่นแต่ของพระท่านแยกลักษณะการถือตัวออกเป็นสามอย่างคือมานะความถือตัวคือถือเราถือเขาเฉยๆอติมานะ ความถือตัวว่าวิเศษกว่าเขาเอาวัตมานาะความถือตัวว่าต่าต้อยกว่าเขามานาสามอย่างนี้แหละที่บ่อนอยู่ในจิตใจของคนทำให้ถือเราและการถือเราก็คือการสร้างเขาขึ้นนั่นเองเมื่อสร้างเขาขึ้นแล้วตัวก็ต้องเป็นเขาวันอย่างคํามลำบากลาบนแล้วจะไปบ่นเอากับใคร ความยุ่งยากต่างๆก็มักจะเกิดขึ้นเพราะเรื่องเราๆ เ, เขาๆนี่แหละที่แรกก็มีแต่เรากับเขาอีกหน่อยก็มีพวกเราพวกเขาวัดเราวัดเขานายเรานายเขาลูกน้องเราลูกน้องเขาในที่สุดเรากับเขาก็เลยฟาดปากกันนุงไปหมดเพื่อจะได้เทียบกันดูว่าเขากับเราใครจะแน่กว่ากัน อันที่จริงเราก็คือเขานั่นเองนึกดูง่ายๆว่าตัวเราเวลานี้เราก็คิดว่านี่เราแต่คนอื่นทั้งโลกเวลาเขาขึ้นมาที่ตัวเราเขาว่าเขาทั้งนั้นตกลงว่าที่ว่าตัวนี้เป็นตัวเรานั้นเราว่าของเราคนเดียวแท้ๆเรากับเขาก็คือคนคนเดียวกันนั่นเองที่นี่ กับที่นั่นก็คือที่เดียวกันนั่นเองคือที่ที่เราชี้ลงไปว่าที่นี่ที่นี่แต่คนอื่นเวลาเขาชี้มาที่เดียวกันนั้นเขากลับพูดว่าที่นั่นหมายความว่าคนคนเดียวที่ที่เดียวของสิ่งเดียวมันเป็นทั้งสองอย่างอยู่ในตัวคือเป็นทั้งเราทั้งเขาเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นทั้งนี่ ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยาตื่นเราตื่นเขาให้มากแล้วใจก็จะสงบเองหากท่านผู้ใด ย, ยังตีมาน้าไม่แตกลองอ่านหนังสือสนิมในใจดูครับเพราะในนั้นผมว่าไว้อย่างละเอียดแล้ว